ที่เราสวดมนต์ไปเมื่อกี้นะมันจะมีอยู่พุทธสุภาษิตอยู่อันหนึ่งที่ว่าเมื่อใดก็ตามพิสุพิจารณาเห็นความเกิดและความดับแห่งขันทั้งหลายย่อมได้ปิจิและปรามโมท ซึ่งเป็นอมตะของท่านผู้รู้อั น, นเนี้ยเนี่ยความเกิดและความดับแห่งขันทั้งหลายบางทีเราเราไม่เคยเข้าใจไอ้ความเกิดนี่เราเข้าใจอยู่และความดับของขันทั้งหลายขันทั้งหลายเนี่ย ขันทั้งหลายก็คือหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันขันห้าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละนะอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมา เราพยายามขยันนะขยันเพิ่มประสิทธิภาพของตัวของการฝึกรู้ฝึกดูไปให้มากขึ้นในการขยันที่จะเห็นความเกิดความหายความเกิดของหายของสิ่งที่เกิดขึ้นทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์คิดเนี่ยที่มันเป็นปัจจุบันขณะที่มันเป็นเดี๋ยวนี้ ก่อนไม่ต้องไปสนใจมันหลังไม่ต้องไปสนใจมันนะพยายามเพิ่มเพิ่ม า, มาเเพพิิพ่่มมความสามารถในการรับรู้ให้มากขึ้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามในปัจจุบันในปัจจุบันนั้นนะที่มีสภาวะ น, น, นั้นเกิดขึ้นเอามันมาเป็นเครื่องมือในการฝึกซ้อมฝึกเอามาเป็นเครื่องมือในการซ้อมเอามาเป็นเครื่องมือในการเพียงเพื่อรู้เพื่อรู้การเกิดการหายของมันบางครั้งบางทีงงทเราเราจะทำได้ในตอนเราอยู่ในรูปแบบภายนอก แต่เราไม่เข้าใจรูปแบบภายในอ่ะรูปแบบภายในือการฝึกรู้ฝึกตู้เป็นรูปแบบภายในแล้วก็ฝึกฝึกรู้ความเป็นขณะหนึ่งของภายนอกที่มันเกิดอยู่ตลอดเราฝึกรู้ไปแล้วลองเพิ่มประสิทธิภาพของความสามารถในในการที่จะรู้ ปกติแล้วมันเร็วอยู่แล้วนะมันเร็วอยู่แล้วมันเร็วตัวมันเองมันเร็วอยู่แล้วความเร็วของมันนะมันรู้มันรู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างตอนนี้เราสามารถรู้ได้ก็ทั้งแม้เสียงพูดแม้เสียงจริงดิมันร้องหรือมีเสียงอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้สัก3ามสี่เสียงมันก็จะรู้ได้ เสียงจริงจบยังยังสัมผัสสัมผัสได้เลยวะมันเกิดปัญหายมันเกิดปัญหายความสามารถของตัวรู้เนี่ยมันเร็วอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันถูก ต, ตัวตัวคิดตัวคิดไปไปบดไปบังความสามารถของมันเนี่ยแต่บางครั้งบางคนวะ ฉันทําได้ตอนสร้างจังหวะนะฉันทําได้เฉพาะตอนเตน้นจนกลมแต่พอตอนสดมนฉันทําไม่ได้กินข้าวฉันทําไม่ได้จริงๆต้องหัดไปเพิ่มเนี่ยเพิ่มเพิ่มความสามารถในการทับรู้เข้ามาเรื่อยๆมันเหมือนกับถ้าเรารับรู้อะมันเหมือนกับเหมือนกับการเกือบกึ่งฟุ้งซ่านแต่ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านเพราะมันไม่ใช่เป็นความคิด จะเป็นการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเองมันที่เกิดขึ้นมาเองมันโดย ร, รอบๆตัวอยู่ตลอดเวลานะมีสติตื่นตัวอยู่กับปัจจุบันขณะที่มันมีอายตนะต่างๆมากระทบอยู่ตลอดรอบๆตัวเรา พยายามเห็นการเกิดการหายการเกิดการหายของมันบ่อยๆมันจะทำให้เราใจเราเนะี่ยจะเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มไม่ไม่เก็บไม่เก็บอารมณ์อะไรไว้เริ่มเห็นตามความเป็นจริงว่ามันมีแค่เนี้ยมันมีแค่แวบเดียวเรื่องทุกเรื่องมันมีแค่แวบเดียวเองมันมาแค่แวบเดียวเร็วรว่าเร็วกว่ากระพริบตาอีกบางเรื่อง เกิดขึ้นเร็วประกอบพริบตาอีกไม่ทันใดมันดับไปแล้วถ้าเราขยันฝึกฝึกการรู้ในปัจจุบันขณะหนึ่งเยอะๆเลยนะพอบอกแล้วรูปแบบจริงๆคือขบวนการในการทำซ้ำนบวนการทำซ้ำคือรูปแบบ นั่นเวลาเรารู้ไปซ้ําๆเราฝึกรู้เรื่อยๆฝึกรู้เรื่อยๆฝึกรู้ฝึกเห็นรู้ฝึกเห็นฝึกรู้ฝึกเห็นไปเนี่ยก็เป็นการฝึกรูปแบบเป็นการฝึกรูปแบบเมื่อว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องตั้งสติเองลอยชัดเจนว่าฉันจะฝึกรู้ฝึกเห็นนะกับสิ่งที่ฉันทํำนี่แหละเดี๋ยวเนี้ยตอนเนี้ยเวลาเนี้ย มันจะได้เข้าใจรูปแบบภายในจริงๆเนี่ยรูปแบบของใจคือรูปแบบของผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ฝึกผู้รู้ผู้ดูไปเรื่อยๆไม่หวันไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ร, บรอบๆตัวมันจะมากมันจะน้อยมันจะมาพร้อมๆกันทั้งหลายหลายทางก็ช่างมันยิ่งดียิ่งมีตาก็เห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็รู้รสกายก็สัมผัสใจก็มีความคิคดนึก เกิดขึ้น้อมกันตั้งหกทางเราจะได้ฝึกจะได้ฝึกแต่ถ้าเราไม่ฝึกนะจะจนหลงไปกับทางใดทางหนึ่งแล้วอีกห้าทางนี่มันจะหายไปเลยห้าทางนี้จะหายไปเลยถึงการรับรู้ก็รับรู้อ่อนๆถ้าเราหลงไปเข้าไปร่วมกับทางใดทางหนึ่ง เช่นว่ากาลังตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีลิ้นก็มีกายก็มีแต่หลงไปกับความคิดในใจที่เป็นอดีตอนาคตมันจะลืมหมดเลยนะสิ่งที่รอบๆตัวที่กําลังเกิ ด, ก, ด ก, กําลังดับกําลังเกิดกําลังดับเ้ามันอยู่กําลังมาสัมผัสกับชีวิตอยู่มันจะหายหมดเลยมันจะไปหมกหุ่นคุค้น ค, คิดอยู่กับความคิดปัดกับความคิดต่อสู้กับความคิดอยู่อย่างนั้นแหละเอาถูกเอาผิดกับความคิด เอาดีเอาชั่วกับความคิดเอาพอใจไม่พอใจกับความคิดเอาชนะเอาแพ้กับความคิดอยู่นั่นแหละมันนี้ออกมามันไม่ออกมาเนีออนะ่ยมันไม่ออกมารู้กับไอ้สิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นไหลผ่านที่โดยไม่ต้องคิดนี่มันมีเยอะแยะแค่เวลาเราเวลาไปบินทะบาทเนี่ยมันจะเจอเยอะเลยแหละบินทะบาทจมูกก็ได้กลิ่น ตาก็เห็นรูปที่มันเกิดมันดับจมูกก็ได้กลิ่นพร้อมกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรเยอะแยะ mm hmm. กายก็เคลื่อนไหวไปด้วย mm hmm. บางทีก็เหยียบหินเหยียบแก้วเจ็บบางทีก็มีห mm hmm. ูก็จะยินเสียงเต็มไปหมดเลย mm hmm. เสียงรถเสียงคนเสียงหมาเสียงอะไรเต็มไปหมดเลย yeah. mm hmm. แล้วก็เห็น mm hmm. การเคลื่อนไหวของร่างกายไปด้วย mm hmm. เห็นไปพร้อมๆกันนั่นแหละ อยู่กับตรงนั้นแหละอยู่กับปัจจุบันที่มันกำลังมีการรงแต่งหลายๆอย่างมีการเกิดการดับของหลายๆสิ่งพร้อมกันไปพร้อมกันไปถ้าเรามีสติและลึกถึงตัวฝึกรู้ฝึกดูอยู่กับการรู้การดูของเราเรามีสติว่าเอ้าเนี่ยตอนนี้มีสิ่งเหลาต่างเกิดขึ้นปุ๊บฉันจะฝึกรู้ฝึก ด, ดูดูสิ มันจะเป็นยังไงแต่ถ้าไม่มีสตินะมันก็จะหลงหลงไปในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็จะกลับกลับมาตั้งท่าอีกละตั้งท่าที่จะรู้จะดูต่ออย่าให้มันมี ม, มีสติลงไปในรูปแบบของของใจโดยตรงรูปแบบของการฝึกใจโดยตรงฝึกรู้ฝึกเห็นนะ่ะโดยตรงบ่อยๆบ่อยๆนะ ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามมันมีสิ่งที่จะให้เรารู้เราเห็นอยู่ตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละมันเป็นอาการลิโกมันฝึกได้โดยไม่ต้องมีการมีเวลาทั้งนั้นแหละพยายามเปิดอวัยนะแล้วก็จะใจซ้อมซ้อมตัวรู้ตัวดูให้เข้มแข็งไม่มีการเข้าไปตัดสินใดใดทั้งสิน้น ไม่มีการเข้าไปตัดสินถูกผิดกับสิ่งใดๆทั้งสิน้นไม่มีการเข้าไปไปรักอะไรไปชังอะไรทั้งสิน้นไม่มีการเข้าไปประคับประคองเอาอย่างนั้นเกลียดชังสิ่งนี้ใดๆทั้งสิน้นมีแต่การเห็นตามที่มันเป็นตามที่มันเป็นคือมันเกิดแล้วก็ดับเอาแค่นี้เป็นหลัก ฝึกรู้ฝึกดูเหตุการ์เกิดการดับการเกิ ด, ก า, ด, ก, า ก, ดการดับในปัจจุบันเป็นหลักก่อนไม่เอาหลังก็ไม่เอาเอาเฉพาะหน้าเนี่ยเอาเฉพาะหน้าเนี่ยเป็นหลักจะอะไรก็ได้ไม่มีการเลือกไม่มีการเลือกที่รักบักที่ชัน ไม่มีการเลือกว่าสิ่งนั้นต้องถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราเป็นการปล่อยให้ทุกสิ่งเขาเกิดเองเขาสลายตัวเองแต่เราแค่ฝึกฝึกผู้รู้ฝึกผู้ดูของเราเองฝึกใจของเราเองเท่านั้นแหละไม่มีการรักษาไม่มีการทำลาย ไม่มีของคู่ไม่มีของคู่ถ้าเราลงไปฝากใจฝากหนึ่งเราก็จะติดอีกฝากหนึ่งแต่ถ้าเราไม่เข้าไปฝากใจฝากหนึ่งนะเราก็จะเห็นความเป็นจริงของทั้งสองทั้งสองสิ่งนี่เหมือนกันเหมือนกันหมดเชั้นต้งหัดซ้อมรูปแบบรูปแบบของการรู้ตัวเองเห็นตัวเอง ให้ดีๆอย่างเรานั่งอยู่ตอเ น, นี้ยบางทีสร้างจังหวะไปรอบหนึ่งก็หยุดต่างหายใจเข้าหายใจออกลึกๆยาวๆสักทีหนึ่งให้เห็นตัวเองในท่านั่งเพื่อต้องการที่จะไม่ให้จิต ม, มันมันเพลิดเพลินนะมันเพลิดเพลินมันไหลไปเราต้องการให้จิตมันมาเรียนรู้ความเป็นขณะหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นหลักเป็นหลักนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบไหนก็ตามยันใหม่ๆบางที้รูปแบบของการรูปแบบทางใจเนี่ยมันไม่มีรูปแบบภายนอกนไม่มีรูปแบบภายนอกเป็นตัวเป็นตัวชี้วัดว่าคุณรู้หรือเปล่า คุณไม่รู้หรือเปล่าแต่ตัวคนไหนฝึกบ่อยๆแล้วก็จะรู้จักว่าไอ้คนเนี้ยไม่ได้รู้เรื่องคนนี้รู้เรื่องเราเลยจําเป็นต้องใช้อาศัยรูปแบบภายนอกเนี่ยมาเป็นตัวฝึกซ้อมนวรูปแบบภายนอกนแค่เป็นอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเท่านั้นเองทํามันขึ้นมาเพื่อฝึกซ้อมทําขึ้นมาเพื่อซ้อม เพื่อ้อมที่จะรู้เฉยเห็นเฉยไม่ไปไปเอาว่ามันไอ้ที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องของการรูปแบบที่เราทำมาเนี่ยเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมแบบท่านแบบนี้สายนั้นสายนี้นี่คือรูปแบบข้างนอกมันแค่กณฑ์แค่อุปกรณ์ทั้งหมดแต่เป็นแค่อุปกรณ์เท้งนั้นเองอย่าเอาอุปกรณ์มาเป็นเรื่องจริงอย่าเอาเอาอุปกรณ์ เหมือนกับอุปกรณ์ในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นเราทําครัวใช่ไหแล้วก็มีอุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์เช่นมีมีดมีห ม, ม้อมีต้งริ้วมีแก๊สมีไฟอะไรทั้งหมดนี่ยแต่ผลท้ายเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนะี่ยเราเอาอุปกรณ์เหล่านั้นไม่เปล่ามันเป็นแค่อุปกรณ์เพื่ปรุงอาหารให้สําเร็จเพื่อเราจะได้กินเท่านั้นเอง เป้าหมายเราต้องการปรุงอาหารให้สําเร็จแต่ต้องอาศัยอุปกรณ์เหล่าเนี้ยเป็นเครื่องมือในการปรุงเท่านั้นแหละอุปกรณ์มีความจําเป็นไหมก็มีแต่มันไม่ใช่จําเป็นถึงที่สุดเพราะจะเอาอุปกรณ์เหล่านั้นมากินแทนข้าวแทนอาหารได้ไหมไม่ได้ไปเอาหม้อเอาตะหลิวเอากระทะมากินไม่ได้น แต่ต้องอาศัยหม้อดูดีๆต้องอาศัยหม้อผงข้าวอาศัยหม้อทํากับข้าวอาศัยกระทะทํากับข้าวแต่เพื่อจะเอากับข้าวมาเพื่อมากินฉันใดก็เหมือนกัน ร, รูปแบบที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์ในการฝึกที่เราจะต้องการฝึกตัวในของเราเองเนี่ยตัวรู้ตัวดูของเราเนี่ยให้มันเข้มแข็ง ให้มันเข้มแข็งไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยธรรมชาตินะเน้นนี่คือธรรมชาติของคนที่เกิดมาแล้วมีอายตนะเมื่อมีอายตนะก็ต้องมีการปรุงแต่งทางตาหูจมกูกลินกายใจเป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องผิดและการปรุงแต่งของตาหูจมกูกรินกายใจการปรุงแต่งของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์เนี่ย มันก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มฝ่ายขาวกับกลุ่มไยดํากลุ่มไยขาวก็กลุ่มไยที่เรา่ฝายเจริญฝ่ายสวยงามฝ่ายชอบใจฝ่ายสบายใจอีกกลุ่มหนึ่งก็ายดําฝ่ายไม่เจริญฝ่ายเสื่อมโทรมายไม่ชอบใจความไม่ฝ่ายไม่สบายใจมันก็จะปรุงแต่งเข้ามันแบบนี้แหละ เหมือนดอกไม้งามๆที่สวยๆงามๆพอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งก็เป็นดอกไม้ที่เหี่ยวที่เน่าที่เหม็นจากดอกไม้ที่ตูมที่บานที่หอมพอถึงเวลาจุดหนึ่งพวกก็เปลี่ยนเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวที่เน่าที่เหม็นเป็นดอกไม้ที่น่าเกลียดในในความในความน่ารักก็มีความน่าเกลียดในความสวยงามก็มีความขยะแขยงอยู่ในตัวมันนี่คือคือ คือสิ่งที่โลกเขาปุงแต่งอยู่นั้นถ้าจิต 1970, เราไม่เข้มแข็งเนี่ยไม่เข้มแข็งพอละเราก็จะหลงไปหลงไปเอาความทุกขก์ก ข, อกของโลกมาเป็นทุกข์ของเราความทุกข์ของโลกมาเป็นทุกข์ของใจเร า, าทั้นที่ใจเราเน่ะมันไม่ได้ไม่ได้เป็นทุกข์แต่ด้วยความอยากด้วยความอยากว่าจะทำให้ใจมันดีกว่านี้เี่ยให้ใจมันดีกว่านี้ให้ใจมันสบายกว่านี้ มันก็เลยเอาใจไปหลงผิดไปคิดว่าจะเอาอารมณ์ดีๆนะมาอยู่กับใจแต่พออารมณ์ดีๆมาปุ๊บแล้วมันก็สลายเกิดแล้วก็ดับเร็นองอใจของมันคือถ้าเราเห็นการเกิดการหายการเกิดการหายของทุกๆอารมณ์เยอะๆเนี่ยนะใจเราจะเริ่มอุบเบกขาของมันเองมัน มันจะเริ่มเห็นเฉย เ, เพราะไม่รู้จะไปทําอะไรมันเนี่ยไปทําอะไรมันไม่ได้มันเป็นแล้วมันก็ดับไป ม, มีแล้วมันก็หายไปมวูบมาแล้วก็วูบไปก็เลยว่าพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคนบ้าบ้าวูบเดียวบ้าไปกับอารมณ์เดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละพอเรานั้นดับไปก็ ไปไม่เป็นอีกสแสวงหาอารมณ์ใหม่อีกแลง้วเราจะสังเกตดูว่ามันจะมีอารมณ์มานองตอบเราอยู่ตลอดถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝึกรู้ฝึกเห็นไม่เอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นอุปกรณ์นะเอาสิ่งเหล่านี้ผลท้ายก็จะเอาสิ่งนี้มาทำลายตัวมันเองถ้าไม่ทำเอามาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกมันก็จะเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาทำลายตัวมันเอง มาทำร้ายตัวเองให้โหลกให้โลภให้โกรธให้หลงให้ทุกข์ให้ยากให้เศร้าให้หมองมันเป็นอย่างนั้นเราต้องคำนึงถึงรูปแบบภายในให้มันดีๆโดยอาศัยรูปแบบภายนอกเป็นแค่อุปกรณ์อุปกรณ์นะไม่ใช่อุปกรณ์ทำอาหารไม่ใช่อาหาร อุปกรณ์ฝึกใจแต่ไม่ใช่ตัวใจเป็นแค่อุปกรณ์ในการฝึกใจแต่ไม่ใช่ตัวใจอย่าไปหลงผิดว่าเอาอุปกรณ์นั้นเป็นตัวใจเอากอนั้นเป็นตัวตัวหลักสาระมันะไม่ใช่นะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมีอุปกรณ์ในการฝึกใจเราได้เต็มไปหมดเลยทุกเวลาทุกสถานที่มันเป็นอาการลิโก มันมีอุปกรณ์ในการฝึกเราได้ตลอดเพราะอุปกรณ์เรามีถึงหกเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการเอามาฝึกใจฝึกใจให้ฉลาดเท่านั้นเลยฝึกใจให้มันฉลาดเท่าทันอารมณ์รู้ตามความเป็นจริงของอารมณ์ว่าอารมณ์ใดก็ตามสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเห็นการเกิดการดับของมันทั้งหลายทั้งปวง มันจะได้ทำให้ได้ปิติและปราโมทปิติและปราโมทซึ่งเป็นอมตะของท่านผู้รู้ปิติคือความเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจแล้วก็มีปราโมทคือความเ อ, อิบอิ่มในใจเ อ, อิบอิ่มในใจเหมือนคนอิ่มข้าวเหมือนคนอิ่มข้าวแล้วไม่ต้องการจะกินข้าวอีกแม้จะมีอาหารการกินดีแค่ไหนก็ตามมันอิ่มแล้ว มันอิ่มจนอืดแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากแม้สิ่งนั้นจะมาล อ, อกล่ออยู่ต่อนหน้าดีปันใดมันก็ไม่สนเรร้ายปันใดมันก็ไม่สนพอมันมีปีติและประโมดคือมันสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วนะอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วมีความสุขอยู่กับตัวเองได้มีความสุขอยู่กับการรู้มีความสุขอยู่กับการเห็น มีความสุขอยู่กับผู้รู้ผู้เห็นได้มันก็สบายมันก็สบายมันก็สบายเพราะทุกวันนี้ที่เราไม่สามารถหาความสุขให้ตัวเองได้เพราะเราไม่ใจเรายังหิวอยู่ยังหิวอารมณ์อยู่อยากได้อารมณ์ดีๆ เ, เกียดอารมณ์เกลียดอารมณ์ร้ายๆ ใจยังอยู่อยู่แต่ถ้าใจเขาอยู่ถ้าใจาาก็เห็นอารมณ์พวกนี้ยเห็นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เรารักเราชังเรารักเราชังนะที่มันเป็นสภาพเหมือนกัน่ะรักก็ดีชังก็ดีสภาพเหมือนกันคือเรารักอะไรก็ตามถึงเวลาถึงเวลาสิ่นั้นมันก็จะสลายจากเราไปถึงมันไม่จากเราเราก็จากมันแต่บางสิ่งบางอย่างที่เรารักกสังเกตไหม บางคร<า>ั้งเราก็ชังบางช่วงเราก็ชังบางช่วงเราก็รักบางช่วงเราก็รักบางช่วงเราก็ชังมันจะสลับกันไปเรื่อยๆหรือบางอย่างของบางอย่างที่เราชังนะบางช่วงเราก็รักมันบางช่วงเราก็ชังมันไม่มีอะไรว่าที่จะรักตลอดหรือชังตลอดมันจะสลับกันไปเรื่อยๆแล้วแต่สภาวะแล้วแต่การปรุงแต่งแล้วแต่จังหวะของอารมณ์ ผลใช้ใจเราอ่ะที es, Stone, ่มันหลงไปมันก็ก็กระโจดโดเต้นไปกับอารมณ์พวกเนี้ยขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆสูงๆต่ําๆสูงๆต่ําๆประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ปะเดี๋ยวพอใจไม่เดี๋ยวไม่พอใจแต่ถ้าเรามาดูสภาวะพวกนี้มันมันเป็นแค่เครื่องเป็นแค่อุปกรณ์่ะ อย่าไปเอามาเป็นตัวเรามันเป็นแค่เครื่องมือทํากับข้าวมันไม่ใช่ตัวกับข้าวตัวกับข้าวคือตัวตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาตัวปัญญาเป็นตัวเป็นตัวที่ทําให้ใจอิ่มทาให้ใจเต็มทําให้ใจหยุดได้มันเป็นแค่อุปกรณ์ในการฝึกฝึกให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับและเห็นตามความเป็นจริงที่ลักษณะ เห็นว่ามันเป็นแค่ขณะเดียวเป็นหลักจะพยายามเพิ่มประสิทธิภาพนะในการซ้อมซ้อมผู้รู้ซ้อมผู้ดูของเราเให้มากขึ้นปล่อยอายตนะต่างๆให้มันเกิดเราจะได้เห็นการเกิดการหายของมันเยอะๆคนไหนที่เห็นการเกิดการหายของสภาวะปัจจุบันเยอะๆนีนะมันจะทำให้จิตใจนะมีข้อมูลเร็วขึ้น ไอ้ข้อมูลที่เร็วขึ้นนี่แหละมันจะเป็นข้อมูลในการที่จะทําให้ใจเราเริ่มฉลาดกับอารมณ์เริ่มฉลาดกับอารมณ์ทั้งอารมณ์ภายในทั้งอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในก็คืออารมณ์ที่มันสร้างขึ้นมารักโลภโกรธหลงดีใจเสียใจคิดนึกอดีตอนาคตที่มันวูบมาแล้วก็วูบไปอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มันมากระทบกับอายตนะต่างๆมันวูบมาแล้วก็วูบไปเห็นมันบ่บอยๆรู้มันบ่บอยๆจะเวลาทำอะไรก็ตามพยายามตั้งตั้งสติให้ทันเป็นขณะหนึ่งให้ได้ขณะหนึ่งให้ได้เช่นขณะสดมนขณะอะไรก็ตามที่เราจะไปเวลาเราเลิกไปเนี่ยขณะจากาการกราบพระต้องพยายามเห็นการเกิดการดับของการกราบพระ ขณะยืนต้องเห็นการเกิดการดับของการขณะยืนที่มันมีอยู่ขณะเดินกลับไปต้องคอยดับเตือนแต่เตือนเพื่อซ้อมซ้อมนะไม่จะไปเอาอะไรมานะซ้อมถ้าเราคิดว่าถ้าเราคิดจะเอามันจะหนักแต่เราแค่ซ้อมมันเฉยเฉยเอาดูสิฉันจะรู้ได้สักเท่าไหร่ดูสักเท่าไหร่จากนี่ไปจนถึงที่พักเนะี่ยฉันจะมีความรู้สึกกับการเกิดการดับ ร, บรอบๆตัวฉันได้สักเท่าไหร่ ทางตาทางหูทางกายที่มันกําลังเด่นชัดอยู่ในขณะนั้นได้สักเท่าไหร่จนถึงที่พักอพอถึงที่พักปุ๊บเนี่ยเราเข้าที่นอนปุ๊บไปนอนปุ๊บเอ้าเราก็ซ้อมฝึกซ้อมทุกทีเวลาเรานอนเนี่ยหูได้ยินการเกิดการหายอะไรบ้างกายกําลังมีอะไรเกิดอะไรหายบ้างใจเรามีอะไรเกิดอะไรหายบ้างก็ซ้อมมัน จะหลับไปหลับไปก็แล้วไปหลับไปก็ทิ้งไปสนใจตื่นขึ้นมาก็เอาอีกตื่นขึ้นมาก็เตรียมเลยพอตื่นขึ้นมาปับ๊บเตรียมเลยมันมีภาวะได้เกิดภาวะได้หายอยู่ในขณะที่มันนั่นแะังนั้นต้องเข้าใจจริงๆว่าอุปรกรณ์กับเป้าหมายคนละอันกัน คนละอันกันนะอย่าไปเอาเป้าหมายเป็นอุปกรณ์ไม่ได้นะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์ในการปลึกใจเราท่านเองไม่ใจเราฉลาอุปมาเนอุปกรณ์ในการทำกับข้าวเราต้องการกินข้าวเราต้องการกำลังเป้าหมายของเราคือเราต้องการพลังงานเฉยเฉยพลังงานเราก็ไม่ได้ต้องการอุปกรณ์ได้เราก็ไม่ต้องการอาหาร แต่เราต้องการพลังงานที่เกิดจากอาหารนั่นคือหัวใจก็เมันที่เรากินทุกวันเนี้ยเราก็เหมือนต้องการเติมพลังขับเราเองเติมพลังงานของเราให้ชีวิตมีนอยู่ต่อไปได้ไม่ง <c oughs> ้นเดี๋ยวพลังงานจะหมด <c oughs> ก็คล้ายๆกับเติมน้ำมันนั่นแหละเติมน้ำมันนั่นแหละแต่ว่ามันผ่านผ่านกระบวนการหลายอย่างผ่านกระบวนการในการที่จะต้องเอา่อ า, าดทั้งสี่ ดินน้ำลมไฟที่มันแปรรูปไปเป็นพืชเป็นสัตว์ที่มีพลังงานในในตัวนั้นของมันอะเอามากินกินเพื่อให้ร่างกายมันส่งเคราะห์ร่างกายมันย่อยมันส่งเคราะห์มันดูดซึมเอาพลังงานไปเพื่อต่อชีวิตไปอีกวันหนึ่งขณะหนึงท่านั้นเองนั่นคือเป้าหมายเป้าหมายของร่างกายที่มันกินนู่นกินนี่กินนั่นมันต้องการพลังงาน ต้องการพลังงานไปให้กับที่จะดํารงชีวิตต่อชั้นใดก็เหมือนกันที่เราต้องการฝึกฝึกใจอ่ะฝึกใจเราเองเ่ยเอาเอาอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันดิบดิบที่แหละอารมณ์ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์นึคิดนี่แหละเป็นอุปกรณ์ในการในการมาม า, มากลั่นมากรองมาปรุงมาแต่งให้มันเกิดปัญญาให้มันเกิดปัญญา ให้มัเกิดกำลังมันเกิดกำลังของสติกำลังของสามาธิกำลังของปัญญาที่จะรักษาตัวใจเอาไว้ไม่ให้หลงอารมณ์ไมห่หลุดไปกับอารมณนะ์ฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการฝึกฝึกเราทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราทำไม่เป็นนะเราก็จะหลง หลงไปหลงไปกับอุปกรณ์เหล่านั้นเอาอุปกรณ์เหล่านั้นมากินแทนกินแทนนะผลสุดท้ายเลยต้องเป็นทุกข์ไปกินอารมณ์เอาจิตไปกินอารมณ์เอาใจเราไปกินอารมณ์ไปเสพอารมณ์เราก็เลยต้องเป็นทุกข์กับอารมณ์มันก็ไม่รู้จักอิ่มนะไม่รู้จักอิ่มหิวอยู่ตลอดไม่รู้จักหิวอยู่ตลอดความโลภ ก, ก็ทาให้หิวตลอด ความอยากก็ทำให้หิวตลอดความโกรธก็ทำให้หิวตลอดความโลง ก, ก็ทาให้หิวตลอดหิวทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีจนตลอดชีวิตแล้วก็เศร้ามองสนุกสนานนิดๆหน่อยๆแล้วก็เศร้ามองจันกระบวนการก็มันแค่ว่าเราเอาเอายตระนะทั้งหมดเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทั้งหมดนี่แหละทั้งหมดเลยนะไม่เว้น มันเป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝึกรู้ฝึกดูเท่านั้นเองถ้าฝึกรู้ฝึกดูก็คือฝึกใจนั่นแหละนะไม่ได้พูดถึงเรื่องใจใจคือใจเนี่ยในภาษาบาลีว่าใจคือผู้ที่รับรู้อารมณ์ตรงกับว่ารับรู้อารมณ์ใจมีหน้าที่รู้อารมณ์นั่นแหละพเราฝึกรู้ไปเรื่อยฝึกรู้ไปเรื่อยแล้วก็เอาเรื่องที่มันไม่ต้องไปเอาเรื่องอดีต ที่มันเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะจะไปเอาเรื่องอนาคตที่เป็นเรื่องของความฝันหลอกลวงเราอะเอาเรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นหลักนะเป็นหลักเลยที่มันเกิดเองบ้างหายเองบ้างหรือที่เราซ้อมที่เราซ้อมรูปแบบของเราเนี่ยซ้อมเดินจงกรมซ้อมสร้างจังหวะเนี่ยก็เห็นการเกิดการหายของการเดินจงกรม้องการสร้างจังหวะให้เห็นการเกิดการหายของการเคลื่อนการเคลื่อนไหว ที่มันเกิดปัญหายเห็นการเคลื่อนไหวของการก้าวเดินที่มันเกิดแล้วมันก็ทบหายไปเกิดแล้วก็ทบหายไปแค่นั้นแหละซ้มอมอันนี้ก็อุปกรณ์ในการสร้างขึ้นมาเพื่อซ้อมซ้อมรู้ซ้อมดูเหมือนเราซ้อมเห็นตัวเราเองตอนเนี้ซ้อมหัดซ้อมเห็นตัวเองบ่อยๆมันนั่งท่าไหนก็หัดซ้อมไปเรื่อยๆไม่ได้ไปเอาอะไรหัดซ้อมไปเฉย มันก็จะทําให้เราเก้าวหน้าเนี่ยก้าวหน้าในการพัฒนาความพัฒนาใจของเราได้ดีขึ้น ด, ดีขึ้นแล้วก็สามารถทําแบบไม่มีการมีเวลาด้วยแล้วก็ทําแบบไม่มีอุปสรรคทําอะไรก็ได้ที่เราจําเป็นต้องทําแล้วเราก็เรียนรู้กสิกตรงนั้นไปเลยเพราะเราเอาปัจจุบันเป็นหลักเอาเรียนรู้เฉพาะสิ่งตรงเฉพาะหน้าเป็นหลักเลย ่ว่าจะเป็นกินข้าวอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันทำงานเอาสิ่งที่มันมีกระทบในปัจจุบันนั่นแหละเป็นเครื่องมือต้องจับหลักว่าจะเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ให้ได้เราไม่สนใจอดีตเพราะอดีตคือความคิดอนาคตก็คือความคิดแต่ปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเองตามสภาวะที่มันปรุงแต่งเข้ามันเรียบร้อยแล้แลวก็ดับรูไป รับรู้ไปมันแค่แวัฟเดียวเองดูให้ทันเห็นให้ทันความเป็นวัฟเดียวของมันเนี่ยมันมาแวบเดียวสั้นๆเขยมก็เกิดอีกเนี่ยมันเสียงจริงดีเี่ยจี้จี้จ้จบจี้จี้จี้จเสียงม้าเห่า ลองฝึกดูนะเสริมเสริมเสริ ม, สรมกาลังของตัวรู้ตัวดูให้ดีๆอย่าไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวกลัวฟุ้งซ่านมัอนฟุ้งซ่านเยอะแล้วแหละไม่ต้องไปกลัวหรอกอย่าไปกลัวมันคุ้งซ่านอยู่แล้วล่ะอย่าไปกลัวว่ามันจะหลุดไม่ต้องกลัวยังไงมันก็หลุดอยู่แล้วล่ะ แต่ให้กลัวว่าทำอย่างไรให้กลัวว่าเราไม่สามารถรู้มันได้เราไม่สามารถรู้มันได้มันน่ากลัวเพราะมันจะหลงแต่ถ้าเรารู้มันได้มันจะไม่หลงนะก็ลองทำดูนะ